พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่11เมษายน2560 ม, ม, ม, ม, มีชื่อเรื่องว่าเงินส่งเราถึงแค่โรงพยาบาลแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ เป็นวันที่11เมษายนพุทธศักราช2560ท่านผ อ, อโรงพยาบาลนายูงของเราแล้วกับคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะพนักงานทั้งหลายทุกหมู่เหล่าได้นิมนต์พระสงฆ์นิมนต์หลวงพ่อพร้อมพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์วันนี้พระเจรดโรคนะ แล้วก็เชิญท่านายอำเภอท่านผู้กากับเป็นผู้ใหญ่และก็พี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมมารวมกันในวันนี้ท่านนายอำเภอน่ยท่านผู้กำกับที่นั่งต่อหน้าหลวพอ่อเป็นผู้ใหญ่ในอำเภอนายงได้มาร่วมกันทําบุญเพื่อเป็นการปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งในโรงพยาบาลเราจะเป็นการเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้ต่อผู้มีอุปกรคุณอย่างที่ทายกได้พูดได้กล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ก็มีผู้มีศรัทธาถวายที่ดินมอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลจากนั้นก็พี่น้องประชาชนที่ได้ช่วยกันตั้งเป็นโรงพยาบาลขึ้นมาจากนั้นก็พี่น้องอำเภอนายูของเราได้มาเจ็บไข้ได้ป่วยอาการหนักนะพวกเราก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา บางคนก็ล่อแหลในบ้านพอแรงแล้วจะเอามาก็มาล้มหายตายจากในโรงพยาบาลแห่งนี้เพราะนั้นปีหนึ่งพวกเราก็มารำลึกถึงผู้ผู้มีอุปกระคุณและก็พร้อมกันก็ผู้ที่มาล้มหายตายจากในโรงพยาบาลแห่งนี้ทางว่ดดวงวิญญาณทบกดวงวิญญาณท่านเหล่านั้น ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็พร้อมที่จะทิศสนคุศสนให้ขอให้ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขถ้าหากว่าดวงวิญญาณใดก็ดตามถ้าตกทุกข์ได้ยาก็ขอขอให้้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ข อ, ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอันนี้ก็คือจุด ป, ประสงค์ของเราทำบุญปีหนึ่ง มีครั้งหนึ่งในโรงพยาวาณหลวงพ่อก็ได้มาเกือบทุกปีนะแต่ปีนี้ก็ชุกระหุไปสักหน่อยเพราะเป็นวันพระวันนี้เป็นเดือนวันขึ้น15ค่ำเดือน5แต่ไม่จริงหลวงพ่อจะไม่ออกจากวัดนะจะไม่ออกจากวัดวันวันพระวันเสาร์วันวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์พ่ออะไรเพราะพี่น้องประชาชน ก็เข้าไปในวัดมากวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะแต่คือว่าวันสําคัญทางจุดวันจุดราชการบ้านเมืองหลวงพ่อก็จะมองดูแต่วันนี้มันผิดพลาดนะก็เลยได้มาที่โรงพยาบาลนี่แหละก็มาเจอมาพบกับทัศน์ายาโยมพออุโบสถพองานตรงนี้เสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็คงจะไปลงอุโบสถพอลงอุโบสถเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายโมง บ่ายสองโมงก็นัดกับพี่น้องประชาชนทําพิธีเทศสงกลานมุดน้ําดําหัวอันนี้ก็เป็นประเพณีของท้องถิ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งท่านในเอเภอทั้งผู้กำรรกับผู้ใหญ่ในอําเภอนายงก็เห็นว่าพระสองฆ์องค์เจ้าองค์ไหนท่านใดที่เป็นผ้าผู้ใหญ่ผู้เท่า ก็ไปมุดน้ำน้ำดำหัวตามประเพณีนนี้ก็คือถือเป็นประเพณีของโบราโบราณโบราณการถือกันมานมนานจากนั้นเมื่อมุดน้ําดําหัวพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นพระอยู่ในท้องถิ่นหมดแล้วก็มุดน้ําดําหัวผู้มีคุณวุฒิอย่างไายอำเภอท่านผู้กากับอย่างนี้แหละจะนิพูนเท่าผู้แก่อันนี้ก็คือ เป็นประเพณีของโบราณที่ถือกันมานแต่วันนี้ก็นนะหลวงพ่อคงจะได้ออกไปดังอย่งได้พูดถึงได้พูดได้กล่าวและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองมาในโรงพยาบาลหลวงพ่อเองก็อยากจะกล่าวย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลอำเภอนายโละอยู่ใน โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลหรือไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลก็เถอะนะก็ให้รักษาสุขภาพร่างกายพอสมควรหลวงพ่อทราบว่าในโรงพยาบาลอำเภอนาอยงทุกวันนี้รู้สึกว่าเบาหวานโรคเบาหวานทวีคูณอย่างมากเพราอะไรเพราะว่าพี่น้องประชาชนปล่อยปากละเลยเห็นแก่ปากเห็นแก่ลิ้นเกินไปไม่ควรจะกินอะไร ตนมากเกินไปนะ้หลวงพ่อว่ า, น, าน่าจะกินอาหารให้ฟังหมอเวลาหมอมาโรงพยาบาลมาหาพออพ อ, อ, อก็คงจะมีวิทยากรอธิบายให้ฟังว่าควรจะทานอาหารอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์ทานอาหารอย่างไรจี่ทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานอย่างนี้เราก็ต้องฟังพ่อเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ลาบากนะท่านี่ถ้าเป็นแผลก็เปแ็แผลไม่หายต่างหากเนี่ย เป็นโรคเบาหวานนะโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันเหล่านี้แหละลูกพ่อก็ระวังนะขนณะลูกพ่อเป็นพระเดี๋ยวลูกพ่อก็ระวังเรื่องโรคเบาหวานไม่เห็นแก่ปากเกลิ้นจนเกินไปถ้าจะทานอาหารอะไรลูกพ่อคิดอยู่เหมือนกันนะถึงจะตักอาหารเข้าไปในบาทมากกว่าเถอะนะแต่ลูกพ่อก็จะเลือกฉันเท่าที่จะฉันที่จะเป็นประโยชน์นะบางทีก็ฉันพกผักเนี่ยมากๆนะ แต่ทําไมหลวงพ่อจึงตักเข้าไปก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนถวายอาหารมาถ้าหลวงพ่อไม่ตักเอาตักแต่อาหารที่ตัวเองชอบนะแล้วก็ปล่อยไปพวกญาติโยมทั้งหลายก็โอ้เราเอาอาหารไปถวายพระหลวงปู่หลวงตาในท่านไม่ตักเลยแต่ท่านเอาแต่ท่านอาหารท่านชอบจากนั้นก็พวกเราก็ไม่เอาอาหารมาถวายใช่ไหมล่ะไอ้ที่ทศรัทธาญาติโยมที่มา นั่งทานอาหารคอยหลวงพ่อนะเออก็ไม่รู้จะไดทานอาหารที่ไหนเพราะหลวงพ่อก็เอาอาหารที่หลวงพ่อชอบกันเดียวท่านเองเนะี่ยผลในสุดทยพวกเราก็เลยอดอยากไปทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้เอาอาหารทุกอย่างที่จัดทายญาติโยมมาตากักมาเอาตออักตักตักตักตไปเออจัดทายญาติโยมได้เอามาถวายกันเออที่มันเหลือก็อไปเลี้ยงกันเน้อผิดร้องลูกหลานเน้ออิ่มน้ําสําราญเนีเ่ยพอพวกเรามาทําบุญ มาทําบุญมาสร้างบุญทั้งอิ่มกายทั้งอิ่มใจด้วยอิ่มท้องด้วยอิ่มบุญในจิตในใจด้วยนะีนแ่แหละหลวงพ่อก็ได้ตักแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อกับฉันอาหารกับในบาทต้องคิดเหมือนกันนะลูกหลานนะเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะจะไปเห็นแกป่ปากเกลิ้นจนเกินไปทําให้สุขภาพตัวเองเอและทั้งที่เป็นเบาหวานตลอดและกัความดันและก็หัวใจทั้งอีสานของเราอ มัน น, น่าคิดเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเร า, เรารักษาดีที่สุดแล้วนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละ เ, เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติที่จะรักษาดีขนาดไหนก็เถอะนะจะไม่ให้เก็ดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เอาเถอะนะถ้ามันเป็นอายุพอสมควรแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ยังไม่เท่าไหรนะ่เนี่ยปล่อยปละละเลยจนเกินไป ก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนะช่วยกันดูแลถ้ามันสุขภาพไม่ดีแล้วก็เป็นภาระของโรงพยาบาลเป็นภาระของครอบครัวอีกเป็นภาระของตนเองอีกวิตกกังวลในจิตใจทั้งที่อายุยังไม่มากก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะ เอจากนั้นก็ไปหาหมอตลอดตลอดเงินมากีดยางมาเท่าไหร่หาเงินมาได้มาเท่าไหร่ก็มีจะมาโบกมารักษาร่างกายของตนเองเอออันนี้ก็ให้ดูดการอยู่การกินการเป็นอยู่การออกกำลังกายการออกกำลังกายก็สาคัญนะเดีลูกพ่อนี่ขาดนะลูกหลานนะ ล, ลูกพ่อเกิดดูแ ล, ด, แลดูเรื่องสุขภาพนะเรื่องการอยู่การฉันนะเขาก็บอกว่าลูกพอ่อนี่มีไตคิดสลายกับคอเลสเตอรอลสูงครัแต่ลกูกพ่อกัไตคิคอเลสเตอรอลสูงนะลวกพอ่อก็พยายามฉันอาหารอันไหนที่จะเป็นคอเลสเตอรอลใช่ผักผักมันทั้งหลายลูงพ่อเขพยายามแต่จะฉันพวกผักนะแต่ลูกพ่อไตคิสลายคำนี้น่ะมันต้องออกกาลังกายต้องให้มีเหงื่อออกนะ ในหลวงพ่อมีบางคนศรัทธาญาติโยมลูกหลานเข้ามาหลงพ่อกันนั่งพูดกับญาติกับโยมอย่างเดียวเนี้ยนะการออกกําลังกายก็ไม่มันไม่มีเลเมื่อไม่มีการออกกําลังกายไตกิทลายของพ่อพูดทําให้หลวงพ่อเนี่ยไปตรวจเมื่อกี้ไงไปตรวจที่คขอนแก่นนะไตคีทลายของหลวงพ่อนี่ยสากว่านีหมอเ้าก็โทรหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อระวังนะแต่ คอเลสเตอรอลของหลวงพอ่อเริ่มพอไวคแต่ใตกิดสลายของหลวงพ่อเนี่ยสาร้อยแล้วระวังนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ต้องระวังอีกเหมือนกันนะเนี่หลวงพ่อก็ระวังสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกของหลานนะเทําไมหลวงพ่อเป็นพระเป็นสงองค์เจา้าไปปล่อยแล้วเอก็จะรักษามันทําไมหลวงพ่อเนี่ยกลัวที่สุดก็คือเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตลูกหลานนะ ลุงพ่อเห็นลุงปู่ลุงตาเป็นอมภพึกอมาพาด ล, ลุงพ่อไม่สบายใจเอ๊อตายถ้าเราเป็นอมภพึกอมาพาดขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกหลานพระเนนของเราห้ามเห่หามเข้าห้องน้ําห้ามออกห้องน้ําห้ามมาหลักที่รับที่นอนห้ามขึ้นรถเข็นเ อ, อจะเป็นภาระของลูกของหลานมากขนาดไหนสินี่นนยลุงพ่อคิดอย่างนั้นนะลูกหลานนะถึงยังไงก็ขอให้ช่วยตนเองได้พ อ, อสมควรถึงข้าวแล้วป๊อกไปเลยให้จบไปเลยนะ ไม่อยากจะให้เป็นภาระของลูกของหลานนี่แหละนี่หลวงพ่อรักษาไม่ใช่รักษาเพื่ออื่นไกลนะมันเป็นธาตุขันขึ้นมาแล้วจะทํำยังไงเราจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ลิ้นมากก็ไม่ได้นั่นน่ะต้องเห็นแก่ลูกแก่หลานต่อไปภายภาคหน้าตัวเองเป็นอมภพอมภพาขึ้นมาแล้วก็จะทํำยังไงเป็นภาระของคนอื่นเขาหนาเนี่ยนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราคิดเหมือนกันนั่นแหละนะ แต่ถือยังไงก็จะลืมศีลธรรมศิลธรรมของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอนไว้ว่าถึงพวกเราจะมันขยันหาทรัพสมบัติกีดยางมีสวนยางล่ำรวยเป็นเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็เถอะนะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีว่าเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดสามารถ ในการหาเงินคําทรัพย์สมบัติไม่เป็นหนี้เป็นสินหรือหาเงินไม่ไมน้อยหน้าตําตาใครละอ่ะเรามีเงินการที่มีเงินคนํานี้เราจะไปภาคภูมิใจได้ว่าเรามีเงินเท่านั้นะยังไม่พอนะเพราะเงินนี่อย่างมากเลยส่งพวกเราถึงโรงพยาบาลหรือโรงส่งถึงเราถึงคลินิกเหรือโรงพยาบาลที่มีศัลยภาพอ่า ราคาแพงๆอย่างในกรุงเทพโรงพยาบาลราคาแพงก็มีนะเ อ, อส่งเข้าไปไปรักษาเนี่ยพอรักษาไปรักษามากเท่าไรไม่อั้นเอาเลยเ อ, อกี่แสนกี่ร้อยกี่พันกี่ล้าน อ, อให้หมดที่รักษาเพราะในสุดรักษาไปรักษามาหมอก็าปวดความสามารถเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ารักษาจะไม่ตายไม่มีนะลูกหลานนะข้าราชการทายาจมนะ พอรักษาเขาสำห ม, มดความสามารถหมอก็ยอมแพ้ออพอเอาโลกหึงลกคหนึ่งเข้ามาแทนโรคหนึ่งโรหนึ่งเข้ามาแทนออพอรักษาโรคไตลรคหัวใจเข้ามาแทนออพอในสูบกิดมีอะไรเข้ามาแทนถึงเยอะแยะไปหมดเลยทีเียหมอก็สู้ไม่ไหวยอมแพ้พอในสูบคนตายในโรงพยาบาลนี่แหละเงินส่งพวกเราที่ว่า มั่งมีศีสุขมหาเศรษฐีทั้งหลายก็ส่งถึงโรงพยาบาลเออไม่เคยกว่านั้นพอถึงโรงพยาบาลทีนี้พอตายแล้วทีนี้ญาติพี่น้องทั้งหลายก็ไปรับมาจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านญาติโกโหติกาถึงจะรักขนาดไหนก็เถอดทีนี้รวมกันมารุมกันมาจากนั้นก็ใ ส, ส, ส่หีบใส่โล่กระสวดอภิธรรมพอครอบกําหนดก็ไปส่งถึงเมนญาติผูนั้นผูที่ ตระกูลนั้นตระกูลนี้นามสกุลนั้นสกุลประกาศออกมาเลยสร เ, เอยไปซักผ้าอ่ไปถวายผ้าบางสกสงุลพระทรงระดับไหนก็เะระดับใจขนาดไหนไปส่งถึงโรงพยาบาลอปถึงเมนเไปถึงเมนพอถึงเมนเสร็จแล้วนะเอพอเสร็จแล้วเด็กอ้าววางดอกไม้จันทอะพวกเราก็วางขึ้นมาวางดอกไม้จันท์พอวางดอกไม้จันรเออเนอท่านเออ <fixing. S 2> อข้าพเจ้าได้ประม า, าทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังท่านนะในอดีตปัจจุบันโปรดท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยนะโปรดให้ท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยแต่แตいいท่านก็เหมือนกันได้ทําอะไรกับข้าพเจ้าด้วยความไม่ถูกต้องไม่เป็นอผิดอคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันใดก็ตามที่ให้ทําให้กับข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าจินดีเอโหสีกรรมให้กับท่านนะขอให้ท่านไปดีพอเสร็จแล้วก็วางดอกไม้จันทนระ์ลงมานั่งแทอจากนั้นเขาก็ได้เวลาหมดแล้วเขาก็พักเข้าไปในเมนเนยะท่นพอพักเข้าไปในเมนแล้วเขก็ไฟเผาเลยนะจุดไฟเผานะนั่นแหละขาวนั่นแหละทนะ่นยมันไม่ใช่เผาแต่ร่างกายนะในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกในร่างกายของเรานะี่ยมีสอง มี2 อ, อย่างคือรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจิตใจก็คือความรู้สึกนึกคิดน่ะตัวนั้นเผาไฟก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันอยู่ในตัวนึกคิดน่ยตัวนั้นเลยว่านามธรร ม, มพระพุทธาาศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของนามธรรมา ม, มากกว่ารูปธรรมท่านเรียกว่ามาโนปุพังขมาธรรมามนโนเสรษฐามนโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าหากว่าใจของเราได้รับศีลได้รับธรรมได้รับการอบรมที่ดีร่างกายก็ดีไปด้วยถ้าใจของเราโมโหโกธามีอารมณ์โุนเฉียวโมโห เ, เราก็ใช้ร่างกายของเราไปเตะไปต่อยไปฆ่าใครก็ได้แต่ไม่ใช่ใจักใจนะใจเป็นผู้สั่งร่างกายให้ไปทำเหมือนกับเราขึ้นไปขับรถอย่างนั้นนะ พอขับรถกับหักพวงมาลยให้มันเหยียบคู่เหยียบคนชนคู่คนชนชนต้นไม้ชนที่ไหนก็ได้ค่อยหลยเพราะโซเฟอร์นะนะ mm hmm. โซเฟอร์คือตัวน้ำมาธรรมตัวนั้นนะบังคับให้รถคันนี้ไปทำในสิ่งต่างๆเั่าที่มันจะทำได้ น, นี่แหละนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาพอเผาร่างกายได้แต่น้นำมะธรรมออกไปตามลำพังเอออกไปตามลำพัง บุนกุศลเั่านั้นเป็นเพื่อนสองแต่ร่างกายนถูกเผาทิ้งแหละแต่ตัวนมามธรรมคือจิตใจออกจากร่างไปละท่านจึงว่าร่างกายโดนั้ น, น, นถ้าว่าเราทํากรรมอันไหนไว้เราทําบุญแล้วเราทําบาปถ้าเราทําบุญบุญจะเป็นเพื่อนสองของใจถ้าเราทําบาปบาปก็จะเป็นเพื่อนสองของใจนั่นแหละอัตหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานอกจากบุญกับบาปท่าน่าจะเป็นที่พึ่งแต่จะไปพึ่งแต่ะพึ่งบาปนะถ้าพึ่งบาปแนละ้วนะมันทุกนะมีแต่เขาจิตจับโยนโดนลงนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรชานไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ไปได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะบาปพาไปนะถ้าบุญพาไปนะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐี ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรหมแล้วเข้าสู่สวรรค์นิพพานได้ทางนั้นเพราะบุญพาไปเพราะฉะนั้นพวกเราให้เกิดมาทั้งทีชีวิตในพบพระพุทธศาสนาในพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ข, ขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะให้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่โซเฟอร์เข้าสู่ใจของพวกเรานั่นแหละ ถึงจุดนั้นมาแล้วไม่มีใครไม่มีใครเป็นที่พึ่งกันได้นะแต่พึ่งสามีภรรยาพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งครูบาอาจารย์ก็พึ่งไม่ได้ทางนะั้นมีแต่พึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตนนินะีเนอและก็พร้อมการกุศลส่วนกุศล